องค์ 5. แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5พึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา2เป็นผู้มีเฮริสามเป็นผู้มีโอตปปัดสี่เป็นผู้ปาราความเพียร 5. เป็นผู้มีสติตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยวงเล็บ4